เมื่อพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสอย่างนี้แล้วพระปัญจวัคคีย์ก็ได้ทูลคัดค้านพระผู้มีพระภาคเจ้าว่าอาวุโสโคโดมด้วยจริยาแม้นั้นด้วยปฏิปทาแม้นั้นด้วยทุกขกิริยาแม้นั้นพระองค์ก็ยังไม่ได้บรรลุอุตริมนุสธรรมอันเป็นความรู้ความเห็นพิเศษอย่างสามารถนนะขนาดทุกขกิริยาขนาดนั้นยังไม่บรรลุ บัดนี้พระองค์เป็นคนมากมากในปัจจัยสี่คลายความเพียรละคลายไ อ, ไอ้ทุกข์ขาปฏิปทาอันนั้นน่ะคลายทิ้งแล้วเวียนกลับมาเป็นคนมากมากสแสวงหาปัจจัยสี่ฉะไหนจักบรรลุอุตริมนุสธรรมอันเป็นความรู้ความเห็นอย่างพิเศษอย่างประเสริฐอย่างสา ม, มารถเล้านะยียดยามข้อปฏิบัติของพระพุทธเจ้าเลยนะท่านทําทุกรรกิริยาอย่างนั้นท่านยังไม่บรรลุนี่กลับไปกินมากนอนมากมันบรรลุได้ยังไงอย่างนี้นะ เ, เมื่อพระปัญจวัคคีย์กราบทูลอย่างนี้แล้วพระผู้มีพระภาคตรัสว่าดูก่อนพิสูุทั้งหลายตถาคตไม่ใช่คนมากๆตถาคตไม่ได้เป็นคนคลายความเพียรไม่ได้เวียนมาเพื่อความเป็นคนมากๆ น, นะปฏิเสธไม่ใช่อย่างนั้นนะไม่ใช่อย่างที่เธอเข้าใจนะดูก่อนพิสูจนทั้งหลายตถาคตเป็นท้าระหันต์ตสั ม, มาสัมพุตเจ้าตรัสรู้เองโดยชอบ พวกเธอจงเงีย่ยโสดลงสดับเราได้บรรลุอมตะธรรมแล้วเราจะสั่งสอนจะแสดงธรรมพวกเธอปฏิบัติอยู่ตามที่เราสั่งสอนอย่างนั้นไม่ช้าสักเท่าไรจะทาให้แจ้งซึ่งคุณอันยอดเยี่ยมอันเป็นที่สุดแห่งพรหมจันท ร, ร์ที่กุลบุตรทั้งหลายออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิตโดยชอบต้องการนั้นด้วยปัญญาอันยิ่งด้วยตนเองในปัจจุบันเข้าถึงอยู่อันนี้ถือว่า แทบจะเป็นคําขอร้องเป็นครั้งที่สองอ่ะนะแม้ครั้งที่สองอีกห้ามอีกพระองค์งก็พูดอีกพระปัญจวัคคีย์ก็ทูลค้านว่านะครั้งที่สองก็ค้านตามเดิมพระองค์งก็ชี้แจงตามเดิมอีกนะครั้งที่สมพอครั้งที่สา ม, สามปัญจวัคคีย์ก็ทูลคัดค้านอีกครั้งว่าอาวุโสสมณนะอาวุโสโคดมอาวุโสเนี่ยเป็นคําระบุที่เรียกว่าเรียกเด็กๆอ่ะนะ แล้วก็โคดมก็ถือว่าเป็นเรียกโคดเรียกนามสกุลเนี่ยนมยเรียกเอานามสกุลมาเรียกก็ถือว่าไม่เคารพอย่างมากเลยก็บอกว่าด้วยจริยานั้นด้วยความประพฤตินั้นด้วยปฏิปทาคือข้อปฏิบัติเหล่านั้นด้วยทุกขะรกิริยาธรรมในสิ่งที่ทำได้ยากนั้น พระองค์ก็ยังไม่ได้บรรลุอุตริมนุสธรรมอันเป็นความรู้ความเห็นพิเศษอย่างประเสริฐอย่างสามารถก็บัดนี้พระองค์เป็นผู้มักมากคลายความเพียรเวียนมาเพื่อความเป็นคนมากมากฉะนั้นจักบรรลุอุตริมนุสธรรมอันเป็นความรู้ความเห็นอย่างประเสริฐอย่างสามารถได้เล่า <c oughs> เมื่อปัญจวัคคีกราบทูลอย่างนี้พระองค์ก็ตอบว่าดูก่อนพิสูจนทั้งหลายพวกเธอจําได้หรือว่าถ้อยคําเช่นนี้ เราได้เคยพูดแล้วแต่ปางก่อนแต่กาละนี้เคยได้ยินคำนี้บ้างไหมนะที่อยู่ด้วยกันมาหกปีนี้เคยได้ยินบ้างไหมไม่เคยได้ฟังเลยพระพุทธเจ้าค่ะพระองค์ก็ตรัสว่า ดูความพิสูจน์ทั้งหลายตถาคตเป็นพระอรหันต์ตรัสรู้เองโดยชอบคือเป็นพระอรหันตสัมสมาสัมพุทธเจ้าพวกเธอจงเงีย่ยโสดสัดับเราได้บรรลุอมะตะธรรมแล้วเราจะสั่งสอนเราจะแสดงพวกเธอปฏิบัติอยู่ตามที่เราสั่งสอนแล้วไม่ช้าสักเท่าไร่จะทำให้แจ้งซึ่งคุณอันยอดเยี่ยมอันเป็นที่สุดแห่งพรหมจรรย์ ที่กุลบุตรทั้งหลายออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิตโดยชอบต้องการนั้นด้วยปัญญาอันยิ่งเองด้วยตนเองในปัจจุบันเข้าถึงอยู่อันนี้เท่ากับพระองค์ตรัสกี่ครั้งสครั้งนี่ครั้งครั้งแรกบอกเลยว่าบรรลุแล้วครั้งที่สองถูกคัดค้านค้านครั้งที่1ครังค้าครั้งที่2ค้านครั้งที่สเนี่ยนะก็เท่ากับยืนยันสครั้งในความเป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า นถือว่าเป็นพระมหากรุณาที่เรียกว่าหาที่สุดไม่ได้เราเห็นพระมหากรุณาของพระ อ, องค์จริงๆตรงนี้นะพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงสามารถทําให้พระปัญจวัคคียินยอมแล้วลําดับนั้นพระปัญจวัคคีย์ก็ได้ยอมเชื่อฟังพระผู้มีพระภาคเจ้าเงี่ยโสดสดับตั้งจิตเพื่อจะรู้ยิ่งคือตั้งจิตบอกว่าถ้าสิ่งนั้นดีจริงขอรู้ตามขอบรุ่นตามตั้งจิตเพื่อเพื่อฟังแล้วปฏิบัติตามเลยนะ ฟังเพื่อกําหนดรู้ตามฟังเพื่อละตามฟังเพื่อทําให้แจ้งตามฟังเพื่ออบรมอริยมริตตาม น, นะฟังเพื่อเพิ่มพูนคุณธรรมตามที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้ตาม น, นะไม่มีเล่เหลี่ยมไม่มีมายาไม่มีชั้นเชิงไม่มีอะไรอยู่ในนั้นทั้งนั้นแต่ต้องการจะฟังเพื่อปฏิบัติเพื่อเพื่อบรรลุเนี่ยนะไม่ใช่ลักษณะคําพูดต่อรองไหนลองว่าไปสินนะคล้ายๆว่าเสนอสินค้ามานะมีมีเซลลมาเสนอสินค้าไหนสินค้าของคุณเป็นยังไงลองว่าไปสิ แล้วก็ใครเรียกว่าอะไรนะลีลาเต็มไปหมดเลยนะอย่างเชิงชําเลืองตากอดอกอะไรนะเลี้ยวซ้ายหันขวาเป็นต้นไหนพูดจบแล้วใช่ไหมยอย่างเงี้ยนะลักษณะแบบเนี้ยนี่ไม่ใช่ด้วยความเคารพอย่างใครเรียกว่ามีความเคารพอย่างอย่างอย่างจริงๆิงะนะเคารพอย่างแท้จริงพระผู้มีพระภาคเจ้าก็รับสั่งขับพระปัญจวัคคีย์ว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายที่สุดสองอย่างนี้อันบันปะชิดไม่ควรปฏิบัติเนี่ยนะ ไม่ควรเจริญไม่ควรซ่องเสพไม่ควรคลุกคลีไม่ควรหมกมุ่นไม่ควรใช้ชีวิตแบบนั้นไม่ควรปฏิบัติแบบนั้นคือการประกอบตนให้พัวพันด้วยกรรมาสุกคืออย่าแสวงหาสุกในกรรมทั้งหลายซึ่งเป็นธรรมที่เลวเป็นของชาวบ้านเป็นของปุถุชนไม่ใช่ของพระหริยเจ้าไม่ประกอบด้วยประโยชน์ คือการสแสวงหาความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสเนี่ยไม่มีประโยชน์โลกนี้อย่างแท้จริงอะไรหรอกอ น, นะประโยชน์โลกหน้าก็ไม่ได้เป็นเหตุให้บรรลุมรรคผลก็ไม่ใช่มีแต่ความเสื่อมเนี่ยนะมีแต่ความเสื่อมเสื่อมไปจนถึงไหนก็ผลพวงจากการสแสวงหาการมาสุขก็คืออบายทุคติวินิบาตและนรกทั้งหลายพันพวกแมลงนกหนูปูปีกพวกสัตว์เดรัจฉานทั้งหลายสัตว์ทั้งหลายเหล่านั้นก็เป็นผู้ที่สแสวงหาความสุข ในกามนั่นแหละแล้วชีวิตของศาสตร์เหล่านั้นเป็นอย่างไรศาสตร์เหล่านั้นก็มีแต่ความทุกข์เนี่ยนะทุกข์ทั้งมวลเหล่านั้นเกิดจากอะไรก็เกิดจากการสแสวงหาความสุขในวัตถุกามด้วยอำนาจกิเลสกามนั่นแหละอีกอย่างหนึ่งก็คือการประกอบตนในความเหน็ดเหนื่อยแก่ตนเป็นความลำบากไม่ใช่ของพระอริยะไม่ประกอบด้วยประโยชน์ก็คืออตตะกิรมัานุโยทำตนให้ลำบาก อันนี้ก็ไม่มีประโยชน์นะไม่ได้มีประโยชน์อย่างแท้จริงหรอกดูก่อนพิสูจนทั้งหลายปฏิปทาข้อปฏิบัติสายกลางไอ้คาว่ากลางในที่นี้บางคนก็บอกว่าอะไรนะกางมาสุกครึ่งหนึ่งทําให้เดือดร้อนครึ่งหนึ่งเรียกว่าสายกลางใช่ไหมก็สายกลางแปล ว, ว่าไม่สุดครัวก็เออบวกกันซิผสมกันเข้ามันจะพอดีอย่างนั้นนะนะเรียกว่าไม่สุดตองก็คือการผสมการเรียกว่าตรงกลางเขางั้นกลางคืออะไรกลางคือผสมกัน แต่ตรงนี้ข้อปฏิบัติสายกลางไม่ได้อย่างนั้นนะหมายถึงการไม่เข้าใกล้ที่สุดทั้งสองอย่างไม่ต้องยุ่งเลยอนนไม่ต้องสนใจไอ้สองอย่างที่กล่าวไปแล้วข้อปฏิบัติสายกลางนี่แหละมัชชิมาปฏิปทานี่แหละที่ตถาคตตรัสรู้แล้วด้วยปัญญาอันยิ่งนะทำดวงตาให้เกิดทําดวงตาปัญญาให้เกิดทําญาณให้เกิดทัน ไอ้ข kind of kind of ้อปฏิบัติสายกลางตัวนี้แหละเป็นไปเพื่อความสงบเพื่อความรู้ยิ่งเพื่อความตรัสรู้เพื่อพระนิพพานเพื่อความสงบคืออริยผลทั้งหลายเพื่อความรู้ยิ่งเพื่อตรัสรู้คือเพื่ออริยมรรคคือและเพื่อพระนิพพานข้อปฏิบัติสายกลางอันนี้แหละที่เป็นไปเพื่อมรรคผลนิพพานเป็นข้อปฏิบัติด้วยด้วยมีปัญญาทําให้เกิดดวงตา ปฏิบัติแบบคนมองเห็นปฏิบัติไม่ใช่คนหลับตาจะถามนะนะแล้วก็มาคิดดูนะคนหลับตาเดินกับคนที่มีตาเดินทางนี่จะต่างกันอย่างไรฉันได้ข้อปฏิบัติตัวนี้เนี่ยเป็นข้อปฏิบัติที่เกิดจากความรู้ความเข้าใจเป็นการมองเห็นหนทางแห่งการปฏิบัติอย่างชัดเจนเมันข้อปฏิบัติอันนี้จึงเป็นไปเพื่อมรักผลนิพพานอย่างแท้จริงภิกษุทั้งหลาย ก็ปฏิปทาสายกลางที่ตถาคตได้ตรัสรู้แล้วด้วยปัญญาอันยิ่งทําดวงตาให้เกิดทําญาณให้เกิดเป็นไปเพื่อความสงบเป็นไปเพื่อความรู้ยิ่งเป็นไปเพื่อความตรัสรู้เป็นไปเพื่อนิพานนั้นเป็นไงเป็นอย่างไรนาะว่างั้นไหนข้อปฏิบัติที่ว่าเนี่ยเป็นข้อปฏิบัติพิเศษว่างั้นเถอะหมายว่าทางเลือกใหม่อ่ะน ะ, ะทางเลือกใหม่ถ้าพระพุทธเจ้าตรัสถี่อันนี้ถูกต้องดีแต่ถ้าสมัยใหม่บอกฉันมีทางเลือกใหม่ ันข้อปฏิบัติที่พระพุทธเจ้าสอนเอาไว้ก่อนนั่นเป็นปริยัติไม่ใช่ข้อปฏิบัติที่ถูกถ้าทางเลือกใหม่ก็นี้ตัวใครตัวใครก็แล้วกันนะขอกลับไปเดินทางสายเก่าที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้แต่ถ้าพูดถึงตอนนั้นนะคำนี้ถ้าเมื่อสองพันกว่าปีก่อนนูน้น2องพันหปีที่แล้วเนี่ยนะสอันห้าร้อยกว่าปีนะเกือบเกือบหกร้อปีที่แล้วเนี่ยคําพูดนี้ถือว่าเป็นคําพูดที่ที่ถูกต้องเนี่ยนะเพราะว่าเป็นข้อปฏิบัติที่ทําให้เกิดดวงตา คื อ, อการปฏิบัติที่ถูกต้องเนี่ยนะแล้วก็เป็นข้อปฏิบัติที่ถูกต้องเกิดจากการสั่งสมบ่มปัญญามาอย่างแท้จริงทีนี้ไอ้เครื่องวัดอันหนึ่งเนี่ยนะว่าสิ่งที่เราจะทำอะไรสักอย่างเนี่ยนะสิ่งนั้นเราต้องเห็นเหมือนกับมีตามองเห็นอย่างนั้นนะ่ะเช่นตามองเห็นรูปดำรูปขาวมองเห็นสีต่างๆมองเห็นที่สูงที่ต่าก็เหมือนกันถ้าใครจะปฏิบัตินะ แล้วไม่เข้าใจอะไรเลยเนี่ยมองไม่เห็นข้อปฏิบัติอย่างชัดเจนเหมือนปล่อยให้เราเดินทางโดยที่เราไม่เห็นเลยเนี่ยนะอันนี้ถือว่าเป็นความโง่เขลาเบื้องต้นแล้วนะนั้นถ้าหากว่าการศึกษาการปฏิบัติในยุคนี้เอาอะไรเป็นเครื่องวัดหนึ่งวั น, นเราเข้าใจข้อปฏิบัติอ น, นันแบบแบบดวงตามองเห็นไหมถ้าไม่เห็นจะมีอะไรนอกจากเชื่อผู้พูดถ้าเชื่อผู้พูดถ้าผู้พูดนั้นดีจริงก็ดีไป ถ้าผู้พูดไม่ไดีจริงก็ตัวใครก็ตัวใครแล้วกันนี้ไม่รู้จะพากันไปไหนนะผู้สอนเป็นนายนิรยาบาลสาวกก็เป็นสัตว์นรกก็นนิรยาบาลจะมีเมตตาไหมไม่เนี่ยนะถ้าผู้สอนเป็นแมวนีนะผู้ถูกสอนเป็นหนูเนี่ยนะแมวจะสงสารหนูไหมถ้าผู้สอนเป็นสัตว์นรกสาวกเป็ น, นนายนิรยาบาล น, น, น, น, นายนิรยบาลจะกรุณาไหมเป็นต่อนเนี่ยก็ตัวใครก็ตัวใครแล้วเพราอเจอกันแน่ที่อบายเนี่ยนะ เอ bunları, ayo, ้าวก็มนก็มีข้อปฏิบัติอยู่สองอย่างข้อปฏิบัติเพื่อบรรลุกับข้อปฏิบัติเพื่อทุกข์อ่ะนะมันก็มีอยู่สองอย่างมิจฉาปฏิปทากับสัมมาปฏิปทาถ้าถูกก็แปลว่าไม่ผิดถ้าผิดก็แปลว่าไม่ถูกมันก็มีสองอย่างอ่านะทวนมาอีกครั้งหนึ่งว่าไอข้อปฏิบัติที่ทำให้ที่ถูกต้องเนี่ยนะจะต้องเป็นข้อปฏิบัติที่ทําให้มีดวงตามองเห็นอย่างแท้จริงอ่านะมองเห็นเลยว่าอะไรเป็นอะไร เหมือนกับเราเดินทางที่เราเดินไม่ชนเนี่ยนะหน้ายังไม่มีแผลเป็นเพราะเดินชนอะไรมาก็แสดงว่ามีตาเนี่ยนะมีตาจึงมองเห็นงั้นการปฏิบัติเพื่อความดับทุกข์อ่ะต้องมองให้เห็นแบบนั้นจริงๆถ้ามองไม่เห็นทําไงก็ศึกษาจนกว่าจะเห็นยังไม่ต้องไปรีบทําอะไรหรอกมันก็ลองหลับตารีบไปสิดูสิจะกลับบ้านแล้วหมอไม่ช่ว่าเราเนี่ยตาไม่ดีใช่ไหมป่วยไปรักษาตาแล้วหมอเขาปิดทัชสตอร์ให้ว่าบอกอจะรีบออกจากโรงพยาบาลจะกลับบ้านแล้ว คิดหรือว่าจะถึงบ้านมีใครส่งเลยนะมาเองเลยอะ่ะปิดตาหมดสนิทเลยนะเราออกจากห้องเนี่ยมันชนนั่งไงออกจากชนนั่ง อ, อยู่ในห้องแล้วเนี่ยนะมาคิดหรือว่าลงมาถนนเสร็จแล้วจะรอดแบนตะแยู่หน้าโรงพยาบาลตรงนั้นแหละตามอัธยาศัยก็แล้วกันเพราะนนั้การศึกษาเนี่ยต้องทําสร้างความเข้าใจให้ดีๆก่อนมันถ้าเข้าใจเนี่ยนะถามว่าเราจะต้องให้เข้าใจแค่ไหนเข้าใจเหมือนกับมีตามองเห็น เช่นท้าไม่เห็นเป็นกุศลเป็นอกุศลไม่เห็นบุญเป็นบุญไม่เห็นบาปเป็นบาปไม่เห็นมิจฉาปฏิปทาเป็นมิจฉาปฏิปทาไม่เห็นสัมมาปฏิปทาเป็นสัมมาปฏิปทาถ้าแยกแยะอะไรไม่ออกยไม่ต้องทําอะไรหรอกนี่นะถ้าจะทําบัางก็ฟังอ่านให้เข้าใจทําความเข้าใจว่าอะไรเป็นอะไรเท่านั้นแหละไม่งั้นทําอะไรไม่ได้อยู่แล้วอย่ารีบเลยทําไม่เห็นเนี่ยนะถ้าไม่ว่าบอกว่าสมัยเด็กๆเขามานี่โดนประจาบอกไปเอานู่นให้หน่อยสีรีบไปเลย ไปแล้วกลับมาบอกเอาอะไรนะกลับมาถามโดนประจําเลยถูกด่าประจําเลยรีบเกินไปทีแหละุนพลันนะกลับม า, มาอะไรนะอย่างเงี้ยนะบางทีก็เขาสั่งให้ไปซื้อของก็มอบสตังค์ให้ใช่ไหมเราก็รีบไปเลยนะไปเกือบถึงแล้วเป็นกิโลนะไม่ใช่ใกล้ๆนะเสื้ออะไรเนี่ยกลับไปถามใหม่อะเสื้ออะไรเนี่ยนะโอ้ประจําเลยนะถ้าอย่าเรียนแบบเลยอแบบนั้นยังไม่ดี มันต้องทำให้ความเข้าใจต้องทำให้เกิดญาณนะทำให้มีความรู้เนี่ยนะนะแล้วถ้าสิ่งนั้นดีจริงข้อปฏิบัตินั้นถ้าเป็นข้อปฏิบัติที่ที่ทาด้วยปัญญาจริงทาด้วยตาทาแบบคนมีตาจริงๆอะ่ะมีตาด้วยมีแววด้วยนะแล้วก็มีญาณะด้วยถ้าทำถูกต้องเป็นไปเพื่อสงบไอ้สงบนี่สงบโง่ใช่ไหมบอกไม่ต้องสงบแบบรู้ยิ่งสงบเพื่อการตรัสรู้อะนะก็คือกำหนดรู้ล ะ, จะเจริญทาให้แจ้ง ข้อปฏิบัตินั้นต้องเป็นไปเพื่ อ, อนิพานคือสงบทุกจริงดับทุกจริง น, นะเพิกถอนแห่งอาไยจริงสางแห่งความเมาตรัสรู้จริงดับกองทุกได้จริงอันนี้คือข้อปฏิบัติที่ถูกปฏิปทาสายกลางนั้นคืออะไรก็คืออริยมรรคอันประกอบไปด้วยองค์8นี้เท่านั้นไอที่ที่ว่าเนี่ยนะคืออริยมรรคอันประกอบไปด้วยองค์แปดเท่านั้นนี่แหละนี่แหละแปลว่าเท่านั้นเอวะตัวนี้ปฏิเสธว่าไม่มีทางอื่น ใชะท่าไม่มีทางอื่นเนี่ยพุทธพจน์บทนี้ตรัสครั้งแรกแรกตรัสรูพ้พรรษาที่หนึ่งพรรษาที่สีห้าวันสิ้นลมเนี่ยนะวันสิ้นลมพระองค์ก็ตรัสคํานี้อีกครั้งหนึ่ง45้าปีนี้พระองค์ก็บอกว่ามักมีองค์8ดเท่านั้นมักมีองค์8ดมีอยู่ที่ใดพระอริยะก็มีอยู่ณที่นั้นธรรมวินัยใดศาสนาใดที่ไม่มีมักมีองค์8ดธรรมวินัยนั้นมีสมณะคือมีพระโสดาบันเป็นต้น ถ้าไม่มีไม่มีแล้วพระองค์ก็บอกยืนยันด้วยว่าตลอดระยะเวลา45ปีเนี่ยนะ45ปีแห่งการาตรัสรู้แต่จริงๆพระองค์เนี่ยใช้ชีวิตในเพศนักบวช55ปีนะ55ปีใช่ไหม55ปีไหนนะเออ51นะ51เนี่ยนะ51ปีที่พระองค์ออกบวชมาเนี่ยนะเที่ยวสแสวงหาเนี่ยพระองค์ก็บอกว่า ก็มีอยู่ในศาสนาของพระองค์เท่านั้นแหละที่มีอารยมรรคอันประกอบไปด้วยองค์แปดนั่นนะ